การปฏิบัติธรรมก็คือการรักษากายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบนั่นเองความสงบของกายของวาจาเรียกว่าศีลความสงบของใจเรียกว่าสมาธิการที่เห็นว่าความความสงบ นี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเรียกว่าปัญญานัตติสันติปาลังสุ ข, ขังสุขเืินที่เหนือกว่าความสงบไม่มีผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาเห็นว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของกายของวาจา ละของใจผู้ที่ต้องการมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจึงจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมคือรักษากายวาจาใจให้สงบตลอดเวลานั่นเองความจริงการรักษากายวาจาใจนี้รักษาที่ไหนก็ได้ ถ้ารักษาเป็นแต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่ยังรักษาไม่เป็นจำเป็นที่จะต้องไปหาสถานที่ที่ช่วยให้การรักษากายวาจาใจให้สงบนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคต่างๆมาคอยขัดขวางการปฏิบัติธรรมจึง มักจะต้องไปที่สงบทางกายคือสงบวิเวกทางกายพอสถานที่ที่สงบวิเวกทางกายจะไม่ค่อยมีอุปสรรคที่จะมากีดขวางการรักษากายวาจาใจให้สงบนั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมจึงมักต้องไปอยู่ ตามสถานที่วิเวกสงบสงัดจากแสงสีเสียงต่างๆสงบสงัดจากเหตุการณ์ต่างๆสงบสงัดจากบุคคลต่างๆเพราะถ้าอยู่ท่ามกลางของเหตุการณ์ต่างๆอยู่ท่ามกลางของบุคคลต่างๆอยู่ท่ามกลางแสงสีเสียงต่างๆ จะไม่สามารถรักษากายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้นั่นเองแต่ถ้ามีความสามารถที่จะรักษากายวาจาใจให้สงบได้แล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหาจะอยู่ท่ามกลางแสงสีเสียงจะอยู่ท่ามกลาง บุคคลต่างๆอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหาต่อการรักษากายวาจาใจให้สงบเหมือนกับการขับรถยนต์เวลาที่หัดขับรถยนต์นี้ผู้ขับรถยนต์ต้องไปขับตามสถานที่ที่ไม่มีรถยนต์อื่นวิ่งไปวิ่งมา เช่นมีสนามหัดขับรถยนต์ไปหัดขับรถยนต์ให้ขับเป็นก่อนให้รู้จักการเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการหยุดการอะไรต่างๆการครวบคุมรถยนต์ให้อยู่ภายใต้การครวบคุมให้ได้ก่อนเมื่อสามารถครวบคุมได้แล้วถึงจะออกไปวิ่งตามถนนทั่วไป ที่มีรถ ย, น, ยนต์อื่นชนิดอื่นวิ่งไปวิ่งมามีสีแยกไฟแดงที่จะต้องมีการจอดมีการหยุดถ้าเริ่มไปหัดขับอยู่ตามถนนที่มียอดยานวิ่งไปวิ่งมามีสีแยกไฟแดงก็จะยากต่อการขับเพราะจะต้องมีการควบคุมรถยนต์ ด้วยตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ายังไม่รู้จักควบคุมรถยนต์ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ น, นี่คือตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังว่าการปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติที่กายวาจาใจเป็นหลักแต่สถานที่ก็มีส่วนสำคัญ เพราะถ้าสถานที่ไม่สบายะสปายะนี่เป็นภาษาบาลีแต่เป็นภาษาไทยก็เรียกว่าส บ, บายส บ, บายะสบายะแปลว่าส บ, บายสะดวกส บ, บายนั่นเองผู้ปฏิบัติ ร, รมจึงต้องหาสถานที่สบายะ ต่อการควบคุมต่อการรักษากายวาจาใจให้สงบไปอยู่ที่คนเดียวไม่มีใครมาเกี่ยวข้องด้วยไม่มีแสงสีเสียงมายั่วมายวนมากวนใจไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมาสร้างความรำคึกใจให้เกิดขึ้นนี่คือ การที่เราจะปฏิบัติรรมจึงมักต้องเริ่มต้นที่สถานที่สงบสงัดวิเวกหลักธรรมท่านแสดงไว้ว่ากายวิเวกจิตถึงจะวิเวกสถานที่ที่กายไปอยู่นี้ต้องสงบสงัดวิเวกแล้วการที่จะทำให้ใจสงบวิเวกก็จะไม่ยากลำบาก ง่ายแต่ถ้าอยู่สถานที่ที่ไม่สงบสงัดวิเวกการจะทําให้ใจสงบสงัดวิเวกก็จะยากเช่นลองไปนั่งสมาธิตามบาตามผับดูกับการไปนั่งสมาธิอในป่าในเขาในสถานที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงอันนี้ จะเห็นชัดเลยว่าอย่างไหนจะง่ายกว่ากัน <c oughs> แต่การจะทำใจให้สงบนอกจากการมีสถานที่แล้วยังต้องมีเครื่องควบคุมกายวาจาใจที่มีอยู่ภายในใจอีกชั้นหนึ่งถึงแม้ว่าจะไปอยู่ที่สงบวิเวก ภัสจากแสงสีเสียงภาสจากเหตุการณ์ต่างๆปาสจากบุคคลต่างๆแต่ถ้าไม่มีเครื่องควบคุมใจให้หยุดคิดใจก็ยังสงบไม่ได้อยู่ดันั้นนอกจากการมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกมีการครวบคุมกายวากายและวาจาด้วยศีล แล้วยังต้องมีการควบคุมใจด้วยสตนะิถ้าไม่สามารถควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้ก็แสดงว่าสติมีกำลังไม่พอผู้ที่ต้องการให้ใจสงบนิ่งจึงต้องสร้างสติเพิ่มขึ้นวิธีสร้างสติเพิ่มขึ้นก็คือการเจริญกรรมาฐาน กรรมฐานนี้เป็นเครื่องมือที่จะสร้างสติขึ้นมากรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มมนุสสติมีอยู่สิบกลุ่มอสุภามีสิบกลุ่มกสินมีสิบแล้วก็มีกลุ่ม กลุ่มเล็กกลุ่มย่อยอีกรวมกันเป็นอีกสิบเป็นอารมณ์ที่จิตจะใช้เป็นที่ตั้งสติเป็นที่สร้างสติขึ้นมาในกลุ่มของอนุสติสิบนี้ก็มีเช่นหนึ่งพุทธานุสติสองธรรมานุสติสามสังขานุสติ สิอาณาปณสติห้ามรณานุสติหกเทวานุสติเป็นตน้นเจ็ดกายกตาสติมีหลายจำไม่ได้หมดนี่คืออารมณ์ที่ผู้ต้องการที่จะสร้างสติสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสติขึ้นมาตามสายปฏิบัติของ ประเทศไทยเรานี้ก็นิยมใช้พุทธานุสติอาณาปนาสติพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าลึกถึงพระพุทธคุณหรือพระนามของพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่จะถนัดจะชอบแบบไหนก็สามารถใช้ได้ เช่นบางแห่งก็ให้ฝึกเจริญพุทธานุสติด้วยการสวดมนต์ไปก่อนทำวัดเชา้าทำวัดเย็นจะมีการเจริญบทพุทธานุสติธ ร, รมานุสติสังคานุสติก็ต้องพยายามสวดไปเรื่อยๆสวดไปบ่อยๆการสวดเฉพาะช่วงเวลาทำวัดเช้าเย็นนี้ยังถือว่า ไม่มากพอเพราะการควบคุมใจนี้ต้องควบคุมตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ไม่ใช่ไปควบคุมเฉพาะเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นเท่านั้นถ้ามีตารวจมาทางานแค่ตอนอาหารเช้าอาหารเย็นโจนมันก็มาเวลาอื่นได้โจมันฉลาดถ้า เฝ้าธนาคารเฝ้าแต่ตอนเปิดกับตอนจะปิดช่วงช่วงอื่นไม่อยู่โจรมันก็จะมาช่วงที่ไม่มีตำรวจตำรวจมาเฝ้าตอนเปิดเปิดธนาคารใหม่ๆพอเปิดเรียบร้อยตำรวจก็กลับบ้านตอนเย็นก่อนจะปิดธนาคารตำรวจก็มานั่งช่วยปิดแล้วช่วงกาช่วงที่ระหว่างเปิดกับปิดนี้ไม่มีตำรวจเลย โจรหรือขโมยมันก็ต้องมาในช่วงที่ไม่มีตำรวจฉันได้การทำวัดช้าวัดเย็นถึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นการฝึกสติก็เป็นการฝึกสติที่น้อยไม่มากพอความเจริญสตินี้ต้องต่อเนื่อง ตลาดเวลาที่เปิดธนาคารเวลาเปิดธนาคารสังเกต ด, ดูจะมีรอรพอพอเ้าที่ประตูจนกว่าธนาคารจะปิดเมื่อปิดดาวนนั้นรอรพอพอถึงจะกลับบ้านได้ชั้นใดการเจริญสติก็เหมือนกันต้องเจริญตั้งแต่เปิดตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมานี่ ใจเริ่มทํางานแล้วเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วดังนั้นต้องมาคอยระ ง, งับความคิดปรุงแต่งเยโจรคือกิเลสมันเข้ามาตั้งแต่เราลืมตาใช่ไหมพอลืมตาขึ้นมาก็อยากได้นู่นอยากทํานี่แล้วคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์ขุนัวขึ้นมาทันทีะ yeah. ถึงต้องฝึกสติไม่ว่าชนิดในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับตานอนหลับไป เ, เหมือนกับเปิดธนาคารกับปิดธนาคาราต้องมีรอพพอเฝ้าอยู่ตลอดเวลาสตินี่แหละคือรอพอพอของใจสตินี้จะเป็นผู้ที่จะ การไม่ให้อะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจนั่นเองถ้าไม่มีสติเดี๋ยวความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีคิดถึงคนนั้นก็ไม่สบายใจคิดถึงคนนี้ก็ไม่สบายใจคิดถึงเรื่องนั้นก็ไม่สบายใจแล้วคิดไปทําไมคิดไปแล้วทําให้ไม่สบายใจแ คิดไปทําไมก็เพราะงโง่นั่นเองเพราะไม่รู้ว่าความไม่สบายใจเกิดจากความคิดของตน อ, อไม่รู้ว่าความไม่สบายใจเกิดความอยากเกิดจากความอยากของตนที่อยากให้สิ่งนั้นถิงนี้ที่ตนเองคิดให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอ คิดว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วทําไมไปสร้างความไม่สบายใจให้กับตนเองทําไมเหมือนกับปวดศีรษะเพราะเอาค้อนมาทุบศีรษะอย่างนี้ยแล้วทําไมไปทุบมันทําไมถ้าไม่ทุบมันก็ไม่เจ็บที่เจ็บเพราะเราไปเอาค้อนเอวของแข็งไปทุบศีรษะมันก็เจ็บสิ เช่นคนตาบอดอาจจะมองไม่เห็นว่าเวลาศีษะเจ็บนี้เพราะถูกค้อนทุบพอมองไม่เห็นมือตัวเองมองไม่เห็นศีษะของตนเองแต่รู้เวลาค้อนทุบศีรษะมันเจ็บแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ศีรษะเจ็บเพราะตาบอดมองไม่เห็นมองไม่เห็นมือที่ไปจับค้อนมาทุบศีษะ ฉันใดเวลาเราทุกข์เราไม่สบายใจก็แบบนั้นแหะเราทุกข์ไม่สบายใจเพราะเราไปคิดเองคิดแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็อยากให้เป็นไปตามที่เราต้องการพอไม่ได้ตามที่เราต้องการก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่คิดมันก็ไม่เกิดอตอนนี้มีความไม่สบายใจกันหัหยไม่มีถ้าฟังเทศฟังธรรมอยูอ่การฟังธรรมนี้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมานุสติก็ได้เรากำลังฟังธรรมกันอยู่ เราเลยไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้เรื่องศินเรื่องอะไรต่างๆที่ทําให้เราไม่สบายใจนี่แหละคือตัวอย่างเวลาที่เรามีการเจริญสติแล้วความไม่สบายใจต่างๆจะลางับไปชั่วคราวจะไม่เข้ามาในใจเพราะเราไม่ได้ไปดึงมันเข้ามา มันไม่เข้ามาเองหรอกมันอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเหตุการณ์ต่างๆมีเราไปดึงมันเข้ามาเองดึงได้ไกลด้วยบางทีอยู่ที่เหตุการณ์อยู่ที่กรุงเทพเราอยู่ที่ตรงนี้ยังดึงมันมาได้เลยเหตุการณ์อยู่ที่อเมริกาเราอยู่ตรงนี้ก็ยังดึงมันมาได้นี่อำนาจพลังของใจใช่สามารถดึงความทุกข์จากที่ไกลแสนไกล ที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วหลายเดือนหลายปีก็ยังสามารถดึงมันเข้ามาในใจได้เรื่องการสร้างความทุกข์นี้ไม่มีใครจะเก่งยิ่งกว่าใจของพวกเราสามารถเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วต้องหลายเดือนหลายปีมาคิดให้ไม่สบายใจก็ได้สามารถเอาเหตุการณ์ที่อยู่ไกลแสนไกลเข้ามาในใจเพื่อมาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ได้อย่างง่ายดายนี่ปัญหาก็คือเนี่ยเราไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี่เกิดจากความคิดของพวกเราเกิดจากความอยากให้สิ่งต่างๆที่เราคิดให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราเท่านั้นเองเราจรึงต้องมาปฏิบัติธรรม มาเจริญสติมาสร้างสติเพื่อที่จะได้หยุดใจไม่ให้ไปไขว้คว้าเอาเรื่องราวต่างๆมาสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการใช้กรรมฐานชนิดต่างๆารรานนตามความเหมาะสมตามกำลังของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติเริ่มตอนนี้ไม่รู้เรื่องสติสตังอะไรเลย ก็บางทีต้องต้อนเขาไปสร้างสติกันนะต้อนเข้าไปในโบสถ์ไปสวดมนต์ทำวัดเชา้าวัดเย็นอันนี้เพราะถ้าไม่ต้อนเดี๋ยวอยู่ตามลาพังก็อาจจะเดินไปหาคนนั้นหาคนนี้เพราะอยู่ตามลาพังก็เหงาไม่มีเพื่อนรู้สึกว่าเว่ ก็อาจจะไปหาเพื่อนปฏิบัติธรรมที่อยู่ใกล้ไปคุยกันเพื่อที่จะได้หายเหงาแทนที่จะไปควบคุมใจที่สร้างผลิตความเหงาขึ้นมาด้วยการเจริญสติก็ทำไม่เป็นก็เลยต้องรอเวลาที่เขากำหนดให้ไปฝึกสติในโบสถ์ โดยการไปทําวัดเช้าวัดเย็นอันนี้อาจจะเหมาะสําหรับเหมือนกับเด็กอนุบาละเด็กอนุบาล น, นี้ถ้าจะให้เรียนหนังสือทั้งวันคงจะเรียนไม่ได้เด็กอนุบาลเขาก็เลยให้เรียนบ้างให้เล่นบ้างให้กินให้ดื่มบ้างให้นอนบ้างให้มีอะไรทําสลับกันไป แต่อย่างน้อยก็ได้มีการเรียนบ้างเรียนกอไก่ขอไข่เรียนนับหนึ่งสองสามเรียนเอสูง ABC ไปเพื่อเป็นการพัฒนาให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นต่อไปผ้าขั้นสู่ระดับปฐมมัธยมตามลําดับการฝึกสติในขั้นต้นก็อาจจะฝึกด้วยการทําวัดสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ทําวัดเช้าทําวัดเย็น แล้วเมื่อเห็นคุณประโยชน์ของการมีสติเห็นคุณประโยชน์ของการสวดมนต์ก็อาจจะอยากจะสวดเพิ่มขึ้นก็สามารถสวดได้เลยไม่ต้องรอเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ได้ถ้าสวดในใจนี้สามารถสวดได้ทุกขณะทุกเวลาทุกสถานที่เช่นเวลาไหนว่างจากภารกิจการงาน ไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆแล้วใจมักจะไปเอาเรื่องต่างๆมาทำให้ไม่สบายใจก็สวดมนต์ไปภายในใจแทนจะดีกว่าดีกว่าเอาเรื่องที่ไม่สบายใจเข้ามาสู่ใจถ้าเราสวดมนต์ไปภายในใจการที่จะไปคิดถึงเรื่องที่ไม่สบายใจก็ทำไม่ได้เราเบรกมันได้เราบล็อกมันไว้ได้ เหมือนสมัยนี้เรามีการติดต่อกับคนนั้นคนนี้ถ้าเราไม่ต้องการสื่อสารกับคนนั้นคนนี้เราก็บล็อกเขาได้อย่าไปให้เขาเข้ามาตัดไปอันนี้เราก็บล็อกได้เราต้องการจะบล็อกเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเราก็บล็อกมันด้วยการเ จ, จริญสตินี่เองสวดมนต์ไปก็เรียกว่า เป็นธรรมานุสติก็ได้หรือเป็นพุทธานุสติก็ได้สังขานุสติก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันนะถ้าเราสวดบชพุทธคุณมันก็เป็นพุทธานุสติสวดบทธรรมคุณก็เป็นธรรมานุสติสวดบทสังขคุณสุปฏิปันโนก็เป็นสังขานุต ส, ส, ขข ส, นสนติใช้แทนกันได้จะสวดบทเดียวก็ได้ จะสวดพุทธคุณอย่างเดียวก็ได้ธรรมคุณอย่างเดียวก็ได้สังคคุณอย่างเดียวก็ได้หรือถ้ามันสวดมันยาวเอาสั้นๆก็เอาชื่อของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนก็ได้แทนที่จะสวดอิปติพิโสก็พุทโธพุทโ ธ, ธไปก็ได้ธรรมโมไปก็ได้สังโฆไปก็ได้ หรือจะเอารวมมิตรก็ได้พุทโธธรมโมสังโฆไปก็ได้ขอให้เรามีอะไรสวด พ, พุมพาอยู่ในใจไม่ให้ใจมันว่างอย่าให้มีช่องให้ใจมันไปดึงเอาเรื่องราวที่มาสร้างความวุ่นวายใจก็ใช้ได้อันนี้เป็นวิธีการจเจริญสติในขณะที่เราตื่นในขณะที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิด ที่เกี่ยวกับการงานต่างๆเวลาทํางานนี้มันต้องใช้ความคิดเป็นหมอเวลาคนไข้ามาก็ต้องคุยกับคนไข้ถามคนไข้อแล้วก็ต้องวิจัยวิเคราะห์ว่าเป็นอะไรต้องใช้ยาชนิดไหนถ้าไปเจริญสติตอนนั้นด้วยการเจริญพุทธานุสติก็ไม่ได้ ก็ต้องเจริญสติด้วยการอยู่กับความคิดคือให้คิดอยู่ในเรื่องที่ต้องคิดเท่านั้นอย่าไปคิดในเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องที่ต้องคิดมันไม่มีมันก็ไม่เป็นทุกข์คิดเรื่องงานที่เราทำอยู่นี้มันก็ว่างกันไปตามเหตุตามผลต้องทาอย่างนั้นต้องทาอย่างนี้ก็ทำไปอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเกิดความทุกข์ใจเท่าไหร่ เวลาที่ทํางานเวลาใช้ความคิดกับการทํางานก็ให้มีสติคอยเฝ้าว่าให้มันคิดจะอยู่กับเรื่องงานอย่าไปเอาเรื่องอื่นมาแทรกบางทีคิดทํางานอยู่เดี๋ยวเผลไปคิดถึงเรื่องอื่นมันก็เอาความไม่สบายใจเข้ามาสู่ใจได้ถ้าไม่มีสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญสติ ต้องพยายามฝึกสติต่อไปถ้าเรามีสติแล้วเราจะสามารถห้ามความคิดต่างๆไม่ให้เข้ามาในใจได้พอเราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็หยุดมันได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าสติยังมีกำลังไม่พอก็ต้องใช้พุทโธไปใช้ธรรมโมไปใช้สังโฆไป แล้วแต่จะใช้บทไหนก็ได้ขอให้เรามีคำบริกรรมไว้ในใจแล้วใจจะไม่ไปเอาเรื่องราวต่างๆมาทำให้ไม่สบายใจอันนี้เป็นการฝึกสติในระดับที่มีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆก็จะป้องกันไม่ให้ใจดึงเอาเรื่องราวเข้ามาทำให้เกิดความวุ่นวาย ก่อยความฟุ้งซ่านแต่ก็ยังไม่ทำให้ใจสงบเต็มที่ถ้าต้องการให้ใจสงบนิ่งเต็มที่ก็ต้องมีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆแล้วก็นั่งหลับตานั่งเฉยๆนั่งตัวตรงนั่งกัดสมาธินั่งพระเพียบนั่งบนเก้าอี้ได้ทั้งนั้นแล้วแต่จ ะ, ะสบาย นั่งท่าไหนก็ได้แต่ถ้าจะนั่งนานๆทนน่าที่สบายที่สุดก็คือท่านั่งขัดสมาธิแต่ถ้าเรายังไม่ได้นั่งนานถึงขนาดนั้นแล้วนั่งไม่ได้ก็อย่าไปเผืออย่าไปอย่าไปทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อการนั่งถ้ายังนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้เช่นอยู่ที่ทำงานกำลังมีเวลาว่าง ก็นั่งที่ทำงานหลับตาไปเลยแล้วก็อย่ใช้พุทธานุสติก็ได้ถ้าใช้พุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมบางทีเร็วแล้วมันลอยมันยังปรุงแต่งอยู่ก็ลองช้าดูพุทโธพุทโธไปเพื่อให้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าหรือเปรียบเทียบดูวิธีการต่างๆว่าวิธีไหนได้ผลดีอย่าปฏิบัติแบบไม่รู้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีเดียวหรือมีวิธีใหม่ไหมมีวิธีอื่นไหมบริกรรมพุทโธนี้ช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วมีอย่างอื่นมาประกอบอีกก็ได้ บางทีพุทโธแล้วมันยังคิดอยู่ก็ลองเอาพุทโธหนึ่งพุทโธสองดูพอถึงพุทโธสิบก็นับถอยกลับพุทโธเกาพุทโธแปดพุทโธหนึ่งจมาถึงพุทโธหนึ่งแล้วก็กลับไปพุทโธสองพุทโธสามไปถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องพุทโธหนึ่งก็พุทโธไปอย่างเดียวก็ได้หรือถ้ามันไม่จำเป็นต้องพุทโธ ดูลมเฉยๆมันไม่คิดอะไรก็มาดูลมแทนก็นได้ดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้หายใจลึกๆยาวๆปล่อยให้นั่งกายหายใจตามธรรมชาติของเขา เราไม่ต้องการให้ใจไปทำงานไม่ต้องการให้ใจไปบังคับให้ลมหายใจสั้นหรือยาวใจมีหน้าที่ดูเฉยๆหรือสักแต่ว่ารู้เฉยๆเราเราต้องการให้ใจสักแต่ว่ารู้เพราะการสักแต่ว่ารู้ของใจนี้คือการความสงบของใจนั่นเอง ไม่คิดถึงเรื่องลมเพียงแต่รู้ว่าลมสั้นลมยาวไม่บังคับให้ลมหายใจสั้นหรือหายใจยาวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้เฝ้าดูอยู่ที่จุดเดียวจุดที่เข้าออกประตูเข้าออกของลมก็คือปลายจม ok ูกนี่เหมือนยามที่เฝ้าดูคนเข้าออกในธนาคารนี่ ถ้าต้องการจะนับคนเข้านับคนออกต้องนับที่ตรงประตูถ้านับแล้วตามเข้าไปด้วยเดี๋ยวคนตามมาทีหลังจะไม่ได้นับนะถ้าออกก็ตามเข้าไปด้วยเดี๋ยวก็จะนับไม่ถูกอยู่ที่จุดเดียวแล้วคนเข้าออกเท่าไหร่ก็จะเห็นจะนับได้นับเข้ามาหนึ่งแล้วออกไปอีกหนึ่งแล้วนับเข้ามาสองออกไปอีกสองอย่าตามหลุมเข้าไปอย่าตามลุมออกมา ให้อยู่ที่จุดเดียวอย่าไปควบคุมบังคับให้ลมสั้นหรือลมยาวให้ลมละเอียดหรือลมหยาบเพราะมันจะเป็นการทํางานของจิตนั่นเองเราไม่ต้องการให้จิตทํางานเวลานั่งสมาธิเราต้องการให้จิตพักผ่อนเพราะจิตทํางานมาเยอะแล้วน่าสงสารทำมาตั้งแต่ตื่นจนหลับแม้แต่เวลาหลับก็ยังทํางานต่อ ทำงานด้วยการฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็เป็นการทำงานของจิตนจิตของพวกเราเลยไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่เมื่อจิตของเราไม่มีความสุขเราก็เลยต้องไปหาความสุขภายนอกจิตซึ่งเป็นความสุขความเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาด้วยถ้าเป็น เนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาที่มีก้างติดมาด้วยออกิ่นไม่ระมัดระวังเดี๋ยวก็ถูกก้างตปาปลาเขาแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นเนื้อรุนรนเป็นเนื้อที่ไม่มีก้างออกินแล้วไม่ปลอดภัยออมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวถ้าเราทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเราทำใจให้ไม่ให้สงบไม่ได้ เราก็ต้องไปหาความสุขภายนอกแล้วเราก็ต้องไปเจอถูกก้างตามปากตามคอเอไปร้องหม่มร้องไห้ไปเศร้าโศกเสียใจเพราะความสุขภายนอกมันเป็นความสุขมายามันไม่ได้สุขอย่างที่เราคิดมันไม่ได้สุขยาวมันสุขสั้นมันสุขแล้วมันมีวันหมดมีวันจบ พอเวลามันจบเนี่ยมันก็ทำให้เราเศร้าทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ใจกันเราจึงต้องมาพยายามหัดควบคุมใจกันให้ได้พยายามทำใจให้สงบให้นิ่งให้ได้ให้ใจได้พักผ่อนให้หยุดทำงานด้วยการหยุดภารกิจทางร่างกายก่อน ถ้าร่างกายยังต้องทำภารกิจอยู่ยังต้องทำงานอยู่ก็จะมานั่งสมาธิไม่ได้เหตนั้นต้องหาเวลาให้ไม่มีงานทางร่างกายเพื่อที่จะได้เอาร่างกายมานั่งเฉยๆแล้วทีนี้ก็ให้ใจหยุดทำงานด้วยการถ้าเริ่มต้นด้วยการดูลมไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ เอสวนมนต์ก็ไม่ได้ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้อยู่กับการฟังธรรมไปถ้ายังคิดอยู่ก็ต้องอดทนต้องทนพยายามดึงบังคับให้ฟังบังคับไปสักพักแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่คิดเอแล้วพอฟังแล้วใจมันไม่คิดก็หยุดฟัง แล้วจะพุโทโธต่อก็ได้หรือจะสวดมนต์ก่อนก็ได้หรือจะดูลมเลยก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติที่จะต้องทดลองเหมือนขับรถยนต์เนี่ยสมัยที่ไม่มีเกียร์ออโต้เนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนเกียร์เองคนขับจะต้องรู้ว่าตอนนี้ควรจะเข้าเกียร์ไหนขึ้นอยู่กับความเร็วของรถยนต์ รถช้าก็ต้องเข้าเกียร์ต่ำเพราะถ้าเข้าเกียร์สูงเดี๋ยวรถมันก็น็อมันก็จะเครื่องยนต์ก็จะดับเพรนคนขับจะต้องรู้ว่าคนจะปรับเกียร์อย่างไรเกียเข้าเกียร์ต่ำหรือเข้าเกียร์สูงแต่สมัยนี้คนที่ไม่เคยขับรถแบบที่ต้องเปลี่ยนเกียร์ก็จะไม่รู้เพราะเดี๋ยวนี้มีเกียร์อัตโนมัติเกียร์ อ, อตโตอ้คนขับไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนเกียร์ รถมันฉลาดขึ้นทุกวันมันรู้ว่าตอนนี้ควรจะเข้าเกียร์สูงหรือเข้าเกียร์ต่ำแต่สมัยก่อนนี้คนขับต้องเป็นคนเลือกเปลี่ยนเกียร์เอาต้องรู้ว่าอา๋อเกียร์นี้กำลังไม่พอแล้วถ้าอยากจะให้มันมีกำลังมากต้องเปลี่ยนเกียร์ต่ำลงเช่นเวลาขึ้นเขาเนี่ยจะใช้เกียร์เก่าที่วิ่งมาตามพื้นราบนี้มันจะมีกาลังไม่พอ พอถึงเวลาขึ้นเขานีต้องมีการเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์สูงลงมาเกียร์ต่ำถึงจะมีกําลังเกียร์ต่ำมีกําลังแต่ไม่มีความเร็วเกียร์สูงนี่มีความเร็วแต่ไม่มีกําลังเพั้นพอเวลาลงเขานี่ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วเพราะเวลาลงเขานี่ไม่ต้องใช้กําลังต้องใช้ความเร็วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ต่ำไปเป็นเกียร์สูง อันนี้ก็เหมือนการจิตเราบางทีมันก็ขึ้นเขาบางทีมันก็ลงเขาบางทีมันก็ง่ายบางทีมันก็ยากต่อการทำใจให้สงบการจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งบางทีมันก็ใช้ไม่ได้บางทีใช้พุทธโธใช้ได้บางตอนบางเวลาพอมาบางเวลาใช้พุทธโธไม่ได้ก็ เ, เปลี่ยนดูใช้บทสวดมนต์ดูแทนได้ไหม ถ้าต้องใช้เกียร์ต่ำก็เปลี่ยนเป็นบทสวดมนต์หรือฟังเทศถ้าต้องการใช้เกียร์สูงก็ดูลมหายใจไม่ต้องพุโทโธเพราะดูนี่มันจะนิ่งมากกว่าพุโทโธอันนี้แล้วแต่ความถนัดของผู้ปฏิบัติว่าอันไหนจะเหมาะกับสภาวะของจิตในเวลานั้นแต่ข้อสำคัญจะต้องมี กรรมฐานคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเวลาทรรมภารกิจต่างๆถ้าไม่ไม่สะดวกที่จะพุโทโธที่จะสวดมนต์ก็เฝ้าดูการกระทาของร่างกายไปก็ได้ร่างกายกาลังรับประทานอาหารก็รับประทานไปกับร่างกายกำลังตักอาหารใจก็ตักว่าอาหารไปกับร่างกายกาลัง เคี้ยวกำลังเกลือนก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายทุกขั้นตอนอันนี้ก็เป็นการเจริญสติได้อีกวิธีหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ากายกตาสติคือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอน ให้รู้ทุกขณะว่าตอนนี้กําลังอยู่ในเอเรียบทไหนตอนนี้กําลังนั่งรู้ว่ากําลังนั่งกําลังลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่ากําลังลุกขึ้นมายืนกําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินกําลังทําตักตักข้าวตักของกวาดใบมง้งกวาดใบไม้ถูพื้นทําอะไรต่างๆให้ใจอยู่กับการทํางานของร่างกายไป ไม่ให้ใจไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตไม่ให้ไปที่นั่นที่โ น, โน่นใจอยู่ที่นี่อย่าไปที่กรุงเทพอย่าไปที่บ้านอยู่ตอนนี้อยู่ที่วัดเอาใจอยู่ที่วัดร่างกายอยู่ที่ไหนใจต้องอยู่ที่นั่นอยู่คู่กับร่างกายไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติควบคุมสติเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ วิธีการเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการฝึกสติด้วยกรรมฐานกรรมฐานสี่สิบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้อนุสติกันสำหรับผู้ที่เริ่มต้นแต่ผู้ที่พัฒนาสูงขึ้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนหรือมีการใช้อย่างอื่นมาปรเสรมิมเช่นนักบวชพระพุทธเจ้าก็ให้ ใช้อสุภพระนี่ต้องให้ฝึกอสุภาะให้พิจนาอสุภาษะดูร่างกายว่าเวลาตายไปแล้วเป็นอย่างไรตายสามวันเป็นอย่างไรตายขึ้นอืดพองขึ้นมาเขียวชำ้ำเอาไปทิ้งในป่าชา้าเดี๋ยวก็ถูกแรงกามากัดมากินมีนอนมาชัยอะไรในลักษณะต่างๆอันนี้ ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันหรือให้ศึกษาดูส่วนประกอบของร่างกายว่ามีอาการอะไรบ้างร่างกายของเราที่เราเห็นกันนี้ที่เห็นว่าน่าดูหน้าชมนี่มันหน้าดูหน้าชมจริงหรือไม่้าเราดูอาการที่มองไม่เห็นกันบ้างอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่น ข้างนอกก็มีผมขนและฟันหนังแต่หนังนอกจากนั้นมันยังใต้หนังมันยังมีเนื้อใต้เนื้อมันยังมีกระดูกมีเอนนัดกระดูกกับให้ติดอยู่กับเนื้อแล้วข้างในก็เป็นโครงกระดูกมีกระโหลกศีรษะมีกระดูกแขนกระดูกขามีซี่โครง น้ำภายในนั้นก็ยังมีอวัยวะอย่างอื่นนะมีปอดมีตับมีไตมีหัวใจมีลำไส้มีสมองแล้วยังมีน้ำชนิดต่างๆเช่นน้ำเลือดน้ำดีน้าเหลืองน้ำเหงื่อน้ำอะไรต่างๆอีกมากมายอันนี้ก็เป็นกรรมาฐานอีกอย่างสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะควบคุม การอารมณ์โดยเฉพาะจำเป็นจะต้องศึกษาใช้กรรมฐ า, านแบบนี้ถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายการอารมณ์ที่จะมาคอยทำให้ใจไม่สงบมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เราก็จะสามารถรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้พอเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ให้นึกถึงอาการสามสิบสอง หรือให้นึกถึงซากศพให้นึกถึงร่างกายที่เรารักเราชอบว่าสวยว่างามนี้เดี๋ยวเวลาไม่มีลมหายใจแล้วมันก็จะไม่น่าดูน่าชมอีกต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ได้จะสามารถควบคุมกามารมณ์ที่จะมาคอยทําให้ใจนี้ไม่สงบทําให้ใจนี้เกิดความรักเกิดความใคร้ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นทำไมจึงมีสี่สิบกรรมฐานก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติว่าจะจะเจอจะเจอปัญหาชนิดไห น, เ, หนเมื่อเจอปัญหาชนิดนั้นก็ต้องมียาที่ถูกมาแก้ปัญหานั้นกรรมฐานนี่ก็เป็นเหมือนยาที่เรียกว่าธรรมโอสถยา เชื้อโลกก็คือเชื้อที่จะมาทำให้ใจฟุ้งซ่านใจกระสับกระส่ายกวลกวายใจทุกข์ใจวุ่นวายใจก็ต้องใช้ธรรมโอสถคือกรรมฐานนี้เพื <S <S <S <S <an> ่อมาใช้แก้ปัญหาแต่ละปัญหาที่ไม่เหมือนกันอร ม, มวิหารสีนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่ง การแผ่ใจจะการใช้เมตตามาระ ง, งับความโกรธความโกรธนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจวุ่นวายถ้าใช้อย่างอื่นไม่สงบก็ต้องใช้เมตตาถ้าใช้เมตตาเป็นนับดองได้ใจจะสงบพอโกรธใครนี่พอยกโทษให้เขาได้ให้อภัยเขาได้ใจก็หายโกรธหายใจก็สงบเย็นสบายขึ้นมา นี่คือกรรมฐานชนิดต่างๆที่เรายังไปไม่ถึงกันเพราะส่วนใหญ่ที่เริ่มปฏิบัติกรรมฐานกันนี้ยังอยู่ที่กอไก่ขอไข่อยู่ยังอยู่ที่ระดับอนุบาลอยู่จึงต้องฝึกสติ้วยการใช้พุทธานุสติหรือกายะกตาสติหรืออนาปนาสติเป็นหลักก่อน แต่ต่อไปถ้าเราขยับการปฏิบัติให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นไปเป็นนักบวชนี่นักบวชนี้ก็จะเสพการไม่ได้พอเกิดการมารณ์ขึ้นมาต้องระ ง, งับให้ได้ถ้าระ ง, งับไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะไปศีลขาดได้ไปทําผิดศีลได้ถ้าเป็นนักบวชแล้วไปทําผิดศีลก็จะถูกจับสึกไปก็เลยต้องมี ยามาคอยป้องกันมารักษาการมรลมไม่ให้เกิดขึ้นก็คือการพิจารณาอาการสามสบสองของร่างกายแล้วถ้าปฏิบัติไปได้เรื่อ ย, อยก็ยังจะต้องพิจารณาร่างกายการดูร่างกายให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่ง ธาตุสี่การพิจารณาธาตุสีก็เป็นการเจริญกรรมฐานเออพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายที่ที่มีอาการสาสิบสองนี้มันแท้จริงมันก็ทํามาจากธาตุสีคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนี้เองธาตุลมนี่เราเอาเข้าอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมหายใจเข้าทุกเวลา ต, ตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยหยุดหายใจ เอาท่าลมเข้ามาเปลี่ยนท่าลมเก่าออกไปท่าลมเก่านีา้ใช้ไม่ได้ต้องเอาท่าลมใหม่ก็หายใจเข้าเวลาหายใจเข้าก็เอาลมใหม่เข้าไปเวลาหายใจออกก็เอาลมเก่าออกม า, าลมเก่านี้มีพิษมีสารพิษอยู่ในลมเก่าเก็บไว้ในร่างกายแล้วจะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ก็เลยมีการเปลี่ยนธาตุลมอยู่เรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกธาตุน้ําก็เหมือนกันนะน้ำวิตามินน้ำอะไรต่างๆที่ยัโยมเข้ามาเป็นน้ําใหม่เดี๋ยวเข้าไปในร่างกายมันก็ไปเอาธาตเอาพิษที่มีอยู่ในร่างกายออกมาเป็นน้ําปัสสาวะน้ําปัสสาวะมันก็มีส่วนผสมของพิษต่างๆ ที่ร่างกายไม่ต้องการแต่ร่างกายเนี่ยมีการเอาธาตุสี่เข้าออกอยู่เรื่อยๆเพื่อมาเสริมอาการสาสิบสองให้มันอยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆนอกจากธาตุนมธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินก็อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยข้าวมันก็ทํามาจากดินผักมันก็มาจากดินเนื้อสัตว์มันก็ เนื้อของสัตว์มันก็กินผักมันถึงจะกลายเป็นเนื้อขึ้นมาได้มันก็มาจากดินนะเวลาเรากินอาหารนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นการเอาธาตุดินเข้ามาเวลาดื่มน้ำก็เอาธาตุน้าเข้ามาเวลาหายใจก็เอาธาตุธาตุลมเข้ามาเวลารับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เป็นการเอาธาตุไฟเข้ามา ร่างกายของเรานี้อุณหภูมิต้องสม่าเสมอ 96. ๘นี่ถ้าต่ำกว่านั้นก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ถ้าร้อนกว่านั้นก็เกิดปัญหาได้อย่างตอนนี้มีข่าวในประเทศอเมริกาเหมือนตอนนี้มีมีอุณหภูมิสูงความร้อนมากเขาต้องพยายามหาน้ำเย็นมากินกัน เพื่อรักษาอุณภูมิของร่างกายให้มันอยู่ในระดับที่มันเหมาะสมถ้าปล่อยให้มันสูงขึ้นเดี๋ยวเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ตายได้มีคนตายเพราะอากาศร้อนได้นี่คือเรื่องของธาตุร่างกายนี้มันเป็นธาตุล้วนๆมันไม่มีตัวตน ที่ให้พิจารณาร่างกายใช้กรรมฐานพิจารณาว่าเป็นธาตุนี้เพื่อจะให้รู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นแค่ธาตุสีดินน้ำนุ่มไฟเท่านั้นเองไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นะตัวที่ว่าเป็นตัวเรานี้ก็เป็นอีกธาตุหนึ่งตัวที่เรียกที่ว่าเป็นเรานี้ก็คือธาตุรู้หรือเราเรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่กับในไม่ได้มารวมกับร่างกาย เพียงแต่มาเกาะกับร่างกายธาตุรู้นี้มีกระแสรับรู้รับรู้สิ่งที่จะรับจากร่างกายคกอรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายไปให้ธาตุรู้อีกทีหนึ่งธาตุรู้นี้ส่งกระแสรับรู้มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้าไปที่ใจไปที่ธาตุรู้ พอรู้ว่านี่คือภาพอะไรคือเสียงอะไรก็จะคิดว่าต้องการหรือไม่ต้องการถ้าต้องการก็สั่งให้ร่างกายไปเอามาเช่นเห็นกระเป๋าในร้านนี้เห็นว่าสวยถ้าต้องการก็สั่งให้ร่างกายหยิบบัตรเครดิตออกมาแล้วก็ยื่นให้เจ้าของร้านไปเจ้าของร้านก็จัดการเอากระเป๋ามาให้ อันนี้เคือธาตรู้ผู้มาเกาะติดกับธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันเป็นคนสองคนธาตรู้นี่เป็นนายธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟนี่เป็นเบาธาตุสีก็คือร่างกายธาตรู้ก็คือใจอั น, นี่คือการพิจารณาธาตุเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่า ธาตุสีนี้เดี๋ยวก็ต้องแยกทางกันไปธาตุสีนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดมันทั้งวันหนึ่งธาตุลมมันก็จะไม่เข้าแล้วพอหยุดหายใจธาตุลมก็ไม่เข้าพอหยุดหายใจการทางานของร่างกายก็ยุติทันทีพอยุติธาตุที่อยู่ในร่างกายก็จะแยกทางกันธาตุลมก็ออกออกมา กินต่างๆที่ออกมาทางร่างกายจากร่างกายก็คือธาตุลมธาตุไฟคือความร้อนก็หายไปจับร่างคนตายดูกับร่างคนเป็นนี่จะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันแล้วต่อไปทางน้ำที่อยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆจนต่อไป ก็จะร่างกายก็จะเหลือแต่ธาตุดินแห้งกรอบผุพังกลายเป็นดินไปอันนี้คือร่างกายไม่มีตัวตนตัวที่ว่าร่างกายเป็นเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในร่างกายาตัวที่คิดที่ว่าร่างกายเป็นเหล่านี้คือคือธาตุรูนีเองธาตุรู้หรือใจที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกาย ถ้าุรู้นี้เวลาร่างกายหยุดทำงานถ้าตุรู้นี้ก็แยกออกจากธาตุสี่ไปเพราะไม่สามารถใช้ธาตุสี่ส่งข้อมูลต่างๆคือไม่สามารถส่งรูปเสียงกิจรดมาให้ธาตุรู้ได้เมื่อธาตุรู้ไม่สามารถใช้ร่างกายคือธาตุสี่นี้ได้ก็แยกตัวกันไปแยกทางกันไป ไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาธาตุสี่อันใหม่การพิจารณาแบบนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นคนรับใช้ ที่เราใช้ให้มันไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เราเสพเท่านั้นเองเราอยากจะดูหนังก็ต้องสั่งให้มันพาเราไปโงปรงภาพยนตร์อยากจะฟังคอนเสิร์ตก็ต้องไปเวลาที่เขามีคอนเสิร์ตมาแสดงอยากจะไปกินอาหารรสชนิดต่างๆขนมชนิดต่างๆก็ต้องสั่งให้ร่างกายพาไปไป ร, าา ร, ร้านอาหารนั้นร้านอาหารนีน้ร้านขนมนั้นร้านขนมนี้ ร้านขายเครื่องเดื่มนั้นขนมนี้เครื่องดิ่มนี้ก็ต้องมีร่างกายปัญหาของเราก็อยู่แค่เวลาไม่มีร่างกายก็ไม่มีคนรับใช้เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้ตายไปกับคนรับใช้เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายใจไปกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะเราต้องรู้ว่ามันต้องตายสักวันหนึ่งว่าไม่มีร่างกายของใครไม่ตาย ร่างกายของคนทุกคนที่เกิดมาแล้วนี้เดี๋ยวก็ต้องตายกันไปหมดแต่เจ้าของที่มาควบคุมร่างกายเจ้านายของร่างกายนี้ไม่ตายเจ้านายของร่างกายนี้แหละคือตัวจริงตัวจริงตัวแท้ของแต่ละคนแต่ละคนจะมีตัวจริงตัวแท้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย พ่อแม่ก็อยู่ที่ใจพี่สามีภรรยาก็อยู่ที่ใจบุตรทดาก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายนี่ไม่มีใครตายพ่อแม่ไม่ได้ตายสามีภรรยาไม่ได้ตายบุตรธี่ดาม่ได้ตายไม่มีใครตายเพราะตัวใจนี้ไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าไม่มีคนนับใช้เท่านั้นเอง Naruhodou เวลาร่างกายตายไป คนรับใช้เขาขอลาออกเขาบอกทำงานไม่ไหวแล้วหมดแรงขอหยุดลมหายใจขอลาออกจากงานเมื่อไม่มีคนรับใช้ก็ไปหาคนรับใช้อันใหม่ก็ไปเกิดใหม่กันชาติก่อนเราก็มีร่างกายร่างกายอันเก่ามันตายไปเราก็เลยมามีร่างกายอันใหม่ในชาตินี้เดี๋ยวร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไปมีร่างกายอันใหม่ในชาติต่อไปเอง เราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะฉลาดจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายหาความสุขเราก็ต้องคอยเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบใหม่แบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ การเกิดมันก็มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์มันจะทุกข์มากกว่าสุขถ้าไม่เกิดมันก็จะไม่มีทุกข์เลยดัยงนั้นเราต้องมารอให้เจอกับคนที่ฉลาดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะบอกเราว่ามีวิธีหาความสุขแบบใหม่ที่ดีกว่าที่เราหากันอยู่ขณะนี้คืออย่าไปหาด้วยร่างกาย มาหาด้วยการมาควบคุมกายวาจาใจให้สงบดีกว่ามาปฏิบัติทำกันดีกว่า น, นี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องมาปฏิบัติทำกันเพื่อที่เราจะได้สร้างความสงบขึ้นมาที่กายวาจาใจเพราะความสงบของกายวาจาใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขตั้งปวงเป็นความสุขที่ปลอดภัยเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย เป็นความสุขที่ปอจากความทุกข์ความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกอย่างที่เราทุกข์กันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะว่าเราหาความสุขผ่านทางร่างกายกันพอ ร, ร่างกายเป็นอะไรเราก็ทุกข์กันแล้วเพราะเราจะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเองหรือเครื่องมือที่เราใช้ ในการหาความสุขเช่นเงินทองถ้าขาดเงินทองก็ไม่สามารถหาความสุขได้หรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราบางทีเขาก็จากเราไปบางทีเราก็หาไม่ได้เช่นบางคนหาแฟนไม่ได้บางคนนี่โอวบ่นมาหาพระที่ไรเมื่อไหร่จะได้แฟนททีบอกใจเย็นๆเดี๋ยวก็มาเองบางทีบอกอย่ามีดีกว่ามีเดี๋ยวก็ทุกข์อีกได้แฟนมามันก็สุขใหม่ๆ เดี๋ยวแฟนก็เปลี่ยนไปจากมิตรก็กลายเป็นศัตรตูขึ้นมาเห็นไหมเดี๋ยวก็อยู่กันก็ทะเลาะ ก, กันตีกันอีกอย่าไปมีดีกว่าแต่ความอยากมันมันทนไม่ไหวเพราะมันไม่มีมันไม่มีความสุขในตัวมันเองในใจ เองเลยต้องออกมาหาความสุขภายนอกเห็นคนเขามีแฟนเขารู้สึกเขาสุขเขาสุขเลยอยากจะได้เหมือนเขาแต่ไม่รู้เวลาเขาทุกข์ว่าเป็นยังไงเพราะเวลาเขาทุกข์เขาไม่เอามาโชว์ชาวบ้านให้ดูนะเวลาเขาตีกันด่ากันนี่เขาไปตีในบ้านเขาไม่ออกมาตีนอกบ้านนะแต่เวลาเขามาเที่ยวมามีความสุขกันนี่เขาออกมานอกบ้าน คนที่ไปรู้อะไรคิดว่ามีแฟนนี่มันมีความสุขเหลือเกินอยากมีแฟนกับเขาแต่ไม่รู้ว่าเวลาเขาตีกันนี่เป็นยังไงตีกันในบ้านทะเลาะกันในบ้านอันนี้แหละเราต้องเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านจะบอกว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรดีเท่ากับผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมพือควา ม, วามสงบ ของกายวาจาใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงให้มาหาความสุขแบบนี้กันดีกว่าแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะหายไปหมดการเวียนว่ายตายเกิดที่ทำมาอย่างโชคโชนก็จะสิ้นสุดลงจะยุติลงนี่แหละคือสิ่งที่เราเหตุสาเหตุที่พาให้เราต้องมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกัน เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบที่ดีแบบที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีทุกข์ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิเนตเพจายณาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาลิกปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิทิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพโปรเณตุสังกะปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันโต สัพพโรโควินาตสตุมัตตภวะโนอันตรายุสุขีทีขาโยโกภวะพิวาธนสีลิสานิจจังวุทธาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยหกสิบหกสองร้อยแปดสิบวิทยุออนไลน์สิบเก้ารับฟังข้างบนนี้หกสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสามสิบสองครับอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบเออขอภัยลืมไปวันนี้มีนัดกับชาวต่างประเทศคือมีผู้ที่ติดตามใน Facebook หน้าภาษาอังกฤษเขาต้องการถามคําถามต่างๆเขาก็เลยส่งคําถามเข้ามาเราก็รวบรวมไว้พอได้ประมาณสักสามสิบคำถามเราก็จะเอามารวมกันตอบพอดีวันนี้นัดกันไว้ว่าจะตอบวันนี้นี่ลืมสนิทเลยก็เลยตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงภาษาอังกฤษใครฟังังกฤษไม่เป็นก็ก็คงจะต้องฟัง ถ้าไม่ไม่อยู่ฟังก็ไม่ว่าอะไรแต่ตอนนี้จะขอเริ่มเป็นภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยวันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ถ้าอยากจะถามภาษาไทยเป็นก็ต้องรอวันพรุ่งนี้ต่อไปนี้จะขอเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ